วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ของปวงชนชาวไทยก็มีประเพณีรมเลียม คือการสงน้ำพระการลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่อาวุโสผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อเป็นการแสดงความขารวะสั ม, มาคารวะแสดงความกตัญญูกตเวที ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของผู้ที่มีพระคุณในมงคลละสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าบูชาจานิยานังเอตัมมังกัลมุตตมังการบูชา บุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งคือทำให้ผู้ที่ได้ทำการบูชานั้นมีความสุขมีความเจริญรุง่งเรืองแต่การบูชานี้พระองค์ได้ส่งแสดงไว้สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชา คือบาการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทียนเครื่องหอมทั้งหลายเช่นน้ำหอมที่เราเอาไปสงน้ำพระเอาไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่การบูชาแบบนี้เรียกว่าอามิสบูชาและแบบที่สองทองค์ทรงสอนไว้ก็คือ ปฏิบัติบูบชาคือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของผู้ที่เรารักที่เราเคารพที่เรานับถือพระองค์ทรงตรัสว่าการบูชาที่ชนิดที่สองนี้เป็นการบูชาที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่าการบูชา ชนิดที่หนึ่งคืออมิสบูชาทรงตรัสว่าการปฏิบัติบูบชานี้แลเป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะอนิสงส์ประโยชน์ที่ผู้บูชาจะได้รับนั้นต่างกันมากถ้าเปรียบเทียบถ้าน้ำถ้าผลที่ได้คือน้ำ การธรรมด้วยอมิสบูชานี้ก็เหมือนได้น้ําสักขวดหนึ่งเป็นผลตอบแทนคือได้ความสุขใจที่จะใส่ไปได้ในน้ําขวดหนึ่งเท่านั้นส่วนการปฏิบัติบูบชานี้จะได้น้ําทั้งหมดในมหาสมุทรคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่ ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราสามารถปฏิบัติบูบชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสารบกได้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูบชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขนี้ก็คือความสุขของพระนิพพานความสุขของพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านได้ผลตอบแทนได้ความสุขแบบนี้กันส่วนผู้ที่กระทำอามิสบูชาก็ได้ความสุขชั่วขณะหนึ่ง ขณะที่ได้ไปทำการสักการะกราบไหวบูชาผู้ที่มีพระคุณแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้มาปฏบิบัติบูชากันจะดีกว่าเพราะผลลัพธ์ที่จะได้นี้มันต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินนั่นเอง ปฏิบัติบูชาแล้วจะได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติบูชาแล้วจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองนี่คือการบูชาที่แท้จริงบูชาจะนิญานังบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกาลมามุตตมัง การบูชาบุคคลที่พึงแต่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลก็คือจะได้ไปถึงพระนิพพานกันได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเรายังติดกันอยู่ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาพลาดพลาด จากกันอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่แก่ทุกครั้งที่เจ็บทุกครั้งที่ตายทุกครั้งที่มีการพัดพรากจากกันก็เป็นเวลาของความเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้น้ำตาไหลนองพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเอาน้ําตาไหลนองที่เราหลั่งกันในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ มาสะสมมารวมกันแล้วนี้จะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสอีกเพราะนี่คือปริมาณของภพชาติที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติบูบชากันได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นความสำคัญ ในเรื่องของการปฏิบัติบูบชาบูชาตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือ สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสองสาวกพระพุทธเจ้าพระอริยสองสาวกนี้ท่านไม่ต้องการอะไรจากเราจากพวกเราสิ่งที่ท่านมีนั้นมันวิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่เราจะสามารถมอบให้กับ พระพุทธเจ้ามอบให้กับพระอริยสงสาวกได้แต่สิ่งที่ท่านต้องการนั้นก็คือท่านอยากจะให้เราท่านอยากจะเห็นพวกเราหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่แสนทรมานนี้ถ้าเราหลุดพ้นได้อันนั้นแหละจะทําให้ท่านมีความเพิ่มปิติมีความสุข ทั้งๆท่านทั้งๆ ท, ท, ที่ท่านก็มีความสุขล้นฟ้าอยู่แล้วแต่ถ้าได้เห็นพวกเราได้หลุดพ้นนั้นมันเป็นความสุขที่ท่านต้องการหรือจะทำให้ท่านมีความพอใจมีกำลังใจที่จะเผยแผ่คำสั่งคำสอนอันวิเศษนี้ต่อไปถ้าท่าน สั่งสอนแล้วพวกเราไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปพูดอะไรแล้วก็ลืมไปหมดถ้าเปรียบเหมือนกับการรดน้ำใส่หลังสุนัขเ่ยนยสงน้ำให้หมาอาบน้ำให้หมาเทน้ำใส่หลังหมาหมามันก็สะบัดทิ้งหมด นี่คือการไม่บูชาไม่ปฏิบัติบูบชาก็จะเป็นในลักษณะนั้นถ้าพวกเราฟังเทศฟังธรรมกันแล้วพวกเราไม่นำเอาไปปฏิบัติกันมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมามันก็จะทำให้ผู้ที่สั่งสอนนี้เสียกำลังใจไม่รู้ว่าจะสั่งสอนไปทำไม สั่งสอนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเมื่อไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดผลก็ยังต้องติดคุกติดตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปผู้สั่งสอนก็เสียน้ำลายไปเปล่าเสียเวลาไปเปล่าแต่ถ้าสั่งสอนแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัตินี่และได้รับผลจากการปฏิบัตินี่มันก็ทำให้ผู้สั่งสอนนี่ มีความสุขทั้งๆ ท, ที่มีความสุขล้นฟ้าอยู่แล้วแต่ความสุขที่ได้จากการเห็นลูกศิทธิ์ลูกหาได้หลุดพ้นจากกองทุกนี้มันก็มีน้ำหนักพอที่จะมาทําให้เกิดความรู้สึกในพระไทยของพระพุทธเจ้าในใจของครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เหมือนกันที่เห็นว่าไม่เสียเวลาเปล่าในสั่งได้สอน ได้ทำให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับหมอที่รักษาคนไข้รักษาคนไข้บอกให้คนไข้ปฏิบัติให้กินยาให้ทำอะไรถ้าคนไข้เชื่อฟังหมอแล้วปฏิบัติตามแล้วหายจากโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บหมอเห็นแล้วก็หมอก็มีกำลังใจที่จะรักษาคนไข้ต่อไป แต่ถ้ารักษาแล้วคนไข้ไม่ยอมปฏิบัติตามหมอก็จะไม่มีกำลังใจที่จะรักษาคนไข้ต่อไปคนไข้ก็จะไม่มีวันหายจากโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ปฏิบัติบูบชา เราไม่น้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกัน mm hmm. ผลที่จะเกิดก็จะไม่เกิด mm hmm. เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีอะไรแตกต่างในตัวเราตัวเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังติดอยู่ในกองทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพัดผราจากกันของการที่จะต้องกลับมา เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากการอย่างไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เรามาปฏิบัติบูชากันเถิดแล้วจะทำให้พระพุทธเจ้าพระอริยสง์สาวกนั้นมีกำลังจิตกำลังใจ ที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพื่อจะได้สั่งสอนเพื่อจะได้ช่วยเหลือพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกกองทุกนี้ให้หลุดออกจากกองทุกขนี้ไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องกระทําก็คือเราต้องเข้าหาคําสอนของพระพุทธเจ้าคําหาเข้าหาคําสอนของพระอริยสงสาวก อย่างที่ท่านกระทากันในวันนี้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็จะได้ความรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรมากเช่นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ท่านทรงสอนอะไรท่านสอนเหมือนกันท่านสอนให้เราละการกระทาบาปทั้งปวง ให้เราสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจเพราะกิเลสตัณหานี่แหละที่เป็นต้นเหตุของการทำให้เรามาเกิดแก่ เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีกิเลสตัณหาก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็จะอยู่ที่นิพพานอยู่ที่บรมมาสุขอยู่ที่การไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วว่า พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นทรงสั่งทรงสอนอะไรเราก็ควรที่จะน้อมนำเอามาปฏิบัติอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าบอกว่าขอรอไว้รอปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือรอให้มารอให้พระศรีอ่านคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป มาตัดสัุมาเผยแผ่คำสั่งคำสอนก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเพราะตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเราแล้ ว, ลวถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่กับพวกเราอยู่อยู่ในรูปแบบของคำสั่งคำสอนที่มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ พระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไป <Yeah. S 1> พวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา <Yeah. S 1> นี่คือคําพูดคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ตอนก่อนที่จะจากไปว่า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 ก็น้อมเอาคำสั่งคำสอนที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาสั่งสอนให้แก่พวกเราท่านไม่ได้เอาคำสั่งคำสอนของไข่เอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราอย่าไปหลอกตัวเองว่าเราต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรัรง มาเผยแพ่สั่งสอนแล้วเราค่อยไปศึกษากับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์เก่าไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ที่ได้มาตัดสรู้ได้มาประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่ศาสตว์โลกนี้จะสอนเหมือนกันหมดสอนสามข้อใหญ่ๆนี้คือละการกระทำบาปทั้งปวง สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละจึงขอให้พวกเรามีความแน่วแน่มีความมั่นใจว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่และการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะทำให้เราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ เช่นเดียวกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางมีพระชนชีพอยู่สมัยที่ผู้ปฏิบัติได้ศึกษ า, ไ ด, กษาได้ปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุมรรคผลนิพานกันสมัยนี้ก็สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติและบรรลุถึงมรรคผลนิพานได้เช่นเดียวกันดูบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่เรากราบไหว้ค า, ารบนับถือตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่แวนหลวงพ่อรีหลวงตามหาบัวเป็นต้นครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านก็ศึกษาจากพระธรรมคำสอนจากครูบาอาจารย์จากพระอาลียสงสาวกแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นาศาสนาของพระพุทธเจ้านี้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิท ธ, ท ธ, ท ธ, ท ธ, ทธิผลอย่างเต็มร้อยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปตับกาลเวลานั่นเองไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆ เช่นของใช้ไม้สอยหรืออาหารยาต่างๆที่เขาจะมีวันที่ระบุไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนี้วันนี้เพราะถ้าหลังจากวันนี้แล้วสินค้าชนิดนี้ก็จะเสื่อมไปจะไม่ทำประโยชน์ให้กับผู้ใช้ได้และอาจจะเป็นโทษกับผู้ใช้เพราะจะเป็นของเป็นพิษไปได้ เชนอาหารหรื อ, อยาที่หมดอายุถ้ารับประทานเข้าไปก็จะทําให้ท้องเสียได้ถ้าอาหารหมดอายุอาหารเสื่อมสภาพไปแต่พระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมอายุไม่มีวันหมดอายุเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงในสมัยพระพุทธกาลก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ พวกเราไม่ต้องรังเลสงสัยอย่าให้กิเลสบัลลอกพวกเราว่าทมของพระพุทธเจ้านี้หมดสภาพไปแล้วหมดอายุแล้วปฏิบัติไปก็จะไม่ได้ผลอะไรทำไมไม่ได้ผลก็ดูผู้ที่เขาปฏิบัติแล้วได้ผลกันสิดูครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่ท่าน น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติจนกระทั่งท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันพระธาตุของท่านนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้บรรลุแล้วได้หลุดพ้นแล้วพระอรหันตสาวกหรือพระพุทธเจ้านี้หลังจากที่ท่านตายไปแล้วนี้อติของท่านบางส่วนนี้จะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมา จะไม่เป็นกระดูกของเหมือนกับของคนธรรมดาที่จะมีแต่จะผุจะพังไปแต่กระดูกของพระสาวกของพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้านี้แทนที่จะผุจะพังไปกลับกลายเป็นธาตุขึ้นมาเป็นธาตุหินขึ้นมาเป็นเหมือนก้อนหินนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งให้รู้ว่า การปฏิบัติบูชาการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่สูญเปล่าปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างแน่นอนขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นคือเมื่อได้ศึกษาคำสอนแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เต็มที่เหมือนนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือตามที่ครูบาอาจารย์สั่งให้เรียน ทำการบ้านดูหนังสือให้เต็มที่และเวลาเข้าห้องสอบก็จะสอบได้เต็มร้อยได้สี่จุดขึ้นไปอันนี้เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือต้องปฏิบัติให้ครบปฏิบัติให้เต็มที่และการกระทำบาปทั้งปวงเนี่ยก็ต้องละให้ครบบาปคืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาและอบายามุกอื่นๆได้แก่เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นต่างๆคบคนไม่ดีเป็นมิตรและมีความเกลียดค้านี่คือบาปทั้งปวง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราละกันอย่าไปทำกันถ้าตอนนี้เรายังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ mm. ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้บูชาอย่างเต็มที่อาจจะบูชาเป็นพักๆบางวันบางครั้งเช่นถ้าวันพระก็ถือศีลห้ากันสักครั้งหนึ่งละอบายามุข ก, กันสักครั้งหนึ่งวันพระไม่กินเหล้าสักวันหนึ่ง แต่พอวันอื่นก็กลับไปกินเหล้ากลับไปโกหกกลับไปประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ต้องรักษาศีลทุกวันต้องละอบายามุขทุกวันต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดือบโซรายาเมาไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวดูการละเล่นต่างๆไม่คบคนไม่ดีเป็นเม่ไม่มีความเกียดติค้านถึงจะเรียกว่าได้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติ ด, ดีก็คือปฏิบัติครบ<ม>เต็มร้อยปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะบางวันบางเวลานี่คือ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละกาละละบาปทั้งปวงและสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกุศลก็อย่างที่ได้พูดนี้ก็คือการทำความดีต่างๆการไปลดน้ำดำหัวมีสัมาฆะวะมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลสร้างความดีการสงเคราะห์ผู้ที่น้อยกว่าเราสงเคราะห์บุคคลที่อยู่ในครอบครัวเราให้อยู่กันอย่างมีความสุขดูแลกันช่วยเหลือกันใครเดือดร้อนก็ต้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาอ มีความเมตตากรุณาโมดิตาต่อกันนี่เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญทาทานใส่บาทถวายสังฆทานหรือทาทานให้กับผู้ที่ยากไร้เ<ม>ช่นในยามที่มีวาตาภัยอุทกกะพยก็ช่วยเหลือกัน เอาข้าวเอาของเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปช่วยเหลือกันเช่นตอนนี้ทางภาคใต้มีเรื่องน้ำท่วมก็มีการส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรต่างๆไปช่วยเหลือ น, นี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็มาข้อที่สามก็คือ ให้มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจะชำระใจสะอาดบริสุทธิ์ได้นี้จำเป็นจะต้องเพิ่มจากการรักษาศีลห้าข้อขึ้นไปเป็นแปดข้อหรือสิบข้อหรือสองร้อยยิบเจ็ดหรือสามร้อยกว่าข้อเพราะว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การชำระใจนี้เป็นไปได้อย่าง ง่ายดายมากขึ้นเหมือนกับใช้ผงซักพอกถ้าใส่ผงซักพอกใบในเสื้อผ้าน้อยมันก็จะมีกำลังซักพอกน้อยถ้าใส่เข้าไปมากมันก็จะมีกำลังซักพอกมากการถือศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังที่จะซักพอกใจได้เท่าที่ควรซักพอกได้เพียงบางส่วนแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่สามารถ สักพ่อได้ก็คือการมฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นปัญหาชนิดหนึ่งที่การรักษาศีลแปะจะช่วยบรรเทาจะช่วยลดไม่ให้ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เพราะการถือศีลแปะก็เป็นการระงับการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆนั่นเอง เช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมะตัญหาอย่างหนึ่งการมราคะพอเกิดการมราคาขึ้นมาก็จะรู้สึกว้าเหว่เศร้าซ้อยหงอยเหงาหดเหยีดถ้าไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนพอได้ร่วมหลับนอนก็จะกําจัดระบายความความเศร้าซ้อยหงอยเหงา วาเวได้ชั่วคราวแต่จะไม่หายไปอย่างถาวรเพราะเดี๋ยวความรู้สึกอยากจะเสพนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วความรู้สึกงุดหงิดเศร้าซ้อยง่อยเหงาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็จะต้องติดอยู่กับการเสพกามในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็ยังจะต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ เพื่อจะได้กลับมาเสพกามใหม่นี่คือสาเหตุทําไมเราจึงต้องมารักษาศีลแปดเพื่อปิดประตูไม่ให้ใจออกไปเสพกามนี้เองถือศีลแปดก็ต้องเปลี่ยนข้อสามจากการประพฤติถิตเปโวนีไปเป็นการไม่ประพฤติการมกิจเลยคือถือถือศีลพรหมจรรย์คืออบรมมจรยิย์ จะไม่มีการใช้การร่างกายนี้เพื่อเสพกามเพื่อหาความสุขนี่ก็คือเรื่องของศีลแปดในข้อที่สามเรื่องของข้อที่หก็เพื่อที่จะไม่ให้เราเสพกามจากการรับประทานอาหารต่างๆรับประทานขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆโดยที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลา อยากเมื่อไหร่ก็รับประทานเมื่อ น, นั้นเดิมเมื่อ น, นั้นอันนี้ก็จะเป็นให้เป็นการส่งเสริมกามาตันหาให้เราจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราถ้าเราละ ง, งับมันก็จะลดกามาตันหาจะทำให้การกลับมาเกิดนี้น้อยลงไปแต่ยังไม่หมดนี่อาจจะตัดให้มันน้อยลงไป กำลังที่จะดึงมาเกิดมันจะมีน้อยลงไปถ้าเรารักษาศีลแปดได้ศีลข้อ7ก็คือการยุติการออกไปหาความสุขจากการละเล่นต่างๆการมหอมบรรพบันเทิงต่างๆนี่แล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมสวยความงามทางร่างกายก็เป็นการเสพการใีกรูปแบบหนึ่ง เป็นตันหาการมัตตัญหาในรูปแบบหนึ่งรวมไปถึงการหลับนอนนะถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกนนหนาๆนอนแบบสบายอันนี้ก็เป็นการเสพกลามจากการหลับนอนการหลับนอนนี้หลับได้แต่หลับเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายเมื่อถึงเวลาก็จำเป็นจะต้องมีการพักผ่อนหลับนอนอเพื่อป้องกันไม่ให้ หลับนอนด้วยอำนาจของตันหาความอยากที่จะหาความสุขจากการหลับนอนพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราอย่านอนบนเตียงใหญ่ๆอย่านอนบนผูกนหนาๆเพราะมันจะสบายแล้วมันจะนอนมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งเช่นพื้นไม้ปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อถ้านอนแบบนี้ร่างกายจะ พักผ่อนได้เหมือนกันแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะนอนนีวมันไม่สบายการกระทำรักษาศีลแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เรามีเวลามาชาระใจนั่นเองการชำระใจนี้เราต้องมีเวลามาทำใจให้สงบถ้าเรามัวแต่ทำกิจกรรมต่างๆทางการอารมณ์เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมา ทำใจให้สงบมาซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ยนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องรักษาศีลแปดหรือรักษาศีลสิบหรือรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดศีลต่างๆนี้มีไว้เพื่อกําจัดการกระทําต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปกระทําการกระทําต่างๆนี้มา ทำใจให้สงบมาซัพพากใจด้วยการทําใจให้สงบเวลาใจสงบนี้จะทําให้กิเลสตัณหานี้ตกตะกอนลงไปเหมือนกับน้ําที่ขุ่นถ้าเราเอาสารส้มไปแกงไว้ในน้ําเดี๋ยวตะกอนมันก็จะแยกออกจากน้ําตะกอนที่อยู่ในน้ํามันจะตกตะกอนสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาเจีอปนกับน้ํา มันจะถูกสารส้มนี้ละลายแยกออกไปแล้วมันจะตกตะกอนแล้วน้ําก็จะใสขึ้นมาการควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นเหมือนกับการแกว่งสารส้มให้กับใจเพื่อที่จะแยกตะกอนให้ออกจากออกจากใจไปแยกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ให้มันตกตะกอนให้มันสงบตัวลงไปเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปโดยที่เราไม่ไปคิดเรื่องอะไรบริกรรมไปอย่างต่อเนื่องไม่นานจิตก็จะตกหลุมตกบอ่อเข้าพวังของสมาธิไปเมื่อเข้าไปปั๊บนี้ตะกอนต่างๆก็จะตกตะกอนไปความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้มันจะหายไปจากใจ มันเหมือนกับตะกอนที่มันแยกออกจากน้ำน้ำก็จะใสสะอาดใจที่สงบก็เป็นใจที่ใสสะอาดปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงที่เป็นผลงานของกิเลสตัณหาต่างๆนี่เองตอนนั้นใจก็จะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีกว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เพียงแต่เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเพราะพอกำลังสติหมดลงกำลังของกิเลสตัณหาก็จะผลักดันให้ใจให้ออกมาคิดปรุงแต่งให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไป นั่งไปแล้วสักพักหนึ่งก็ต้องลุกออกมาเพราะนั่งต่อไปไม่ได้กำลังของสติหมดเพราะเราไม่เติมมันเองพอจิตรวมลงแล้วเราก็เลยนั่งเฉยๆกำลังของสติเมื่อหมดมันก็จะถูกกำลังของกิเลสตัณหาตักดันให้จิตออกมาปรุงแต่งออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสผทพะถ้าอยากจะให้สงบต่อไปก็ต้อง เพิ่มกาลังของสติขึ้นมาใหม่ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่แล้วจิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้ใหม่อันนี้เป็นเหมือนการชักเย่อกัรระว่างกิเลสตัณหากับสติถ้าสติมีกำลังมากกว่าสติก็จะเด่งใจให้เข้าสู่ความสงบถ้ากิเลสตัณหามีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาก็จะเด่งใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้ไป ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้อยากในรูปเสียงกลิ่นลดให้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิมลดอะไรต่างๆถ้าปล่อยให้กิเลสพาไปมันก็จะพาไปเรื่อยๆพาไปสู่การเวียนว่ายตายกตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรา รู้ว่าตอนนี้สติเราอ่อนกำลังแล้วกำลังถูกใจของเรากำลังถูกเกลียดให้ดึงไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องรีบดึงใจกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปออกจากสมาธิมาแล้วก็อย่าอย่าปล่อยให้ใจไม่มีพุทโธพุทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาข้างในได้กลับเข้ามาสู่ความสงบได้เนี่ยต้องทําอยู่เรื่อย พอออกจากสมาธิมาแล้วอย่าปล่อยให้ใจคิดก็ต้องพุโทโธเหมือนตอนที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเวลานั่งสมาธิก็พุโทโธต่อแล้วพอจิตดวมลงเข้าสู่สมาธิตอนนั้นก็พักชั่วคราวได้เพราะตอนนั้นกิเลสตัณหาหมดกำลังไม่สามารถสู้กกำลังของสติได้ แต่พออยู่ได้สักพักหนึ่งกําลังของสติก็จะอ่อนลงกําลังของกิเลสตัณหาก็จะมีกําลังมากกว่าก็จะผลักดันให้ใจออกมาหารูปเสียงเกิ่นรดพอออกมาก็ต้องรีบพุทโธพุทโธเพื่อจะดึงใจกลับเข้าไปใหม่พยายามพุทโธให้เข้าไปข้างในให้บ่อยให้มากให้เข้าไปจนกระทัง่งเราสามารถที่จะคุมสถานการณ์ไว้ได้ ทุกครั้งที่กิเลสตัญหามันจะดันให้เราออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ใช้พุทโธนี้ดันกลับเข้าไปจนเรามีความชำนาญที่จะเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาที่เราต้องการหลังจากนั้นเราถึงต้องมาใช้ปัญญาต่อเพราะว่าถ้าไม่ใช้ปัญญาเราก็ต้องดันมันกลับเข้าไปเรื่อยๆดันกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอเราอ่อนกาลังมันก็จะดันออกมา มันจะไม่ตายจากการใช้สติแต่ถ้าเราใช้ปัญญานี้มันจะตายอย่างราบคาบตายอย่างถาวรปัญญาก็ปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบว่าการปล่อยให้ใจไปทําอะไรตามความอยากนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์เป็นการไปสร้างการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดความอยาก ก็ใช้ปัญญาสารใจว่าอย่าไปทำมันการทาตามความอยากมันจะจบลงด้วยความทุกข์มันจะจบลงด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอยากได้อะไรที่เราชอบพอได้มาเราก็ดีใจมีความสุขแต่พอของที่เราลักเราชอบจากเราไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่น้ำตาก็หลั่งไหลออกมาพอของต่างๆที่เราอยากได้อยากให้ความสุขกับเหลนั้น มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันให้เที่ยงไม่ได้ไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ได้มันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมันจะต้องมีวันหมดไปถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรานั้น ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปมันไม่ได้เป็นของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากไปดื่มไปดูไปฟังไปริมรดไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หยุดความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ ยกแฟนให้คนอื่นไปดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวแฟนก็ต้องไปอยู่ดีงั้นก็ไปตอนที่เรายินดีให้เขาไปดีกว่าเพราะถ้าเรายินดีให้เขาไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราถ้าเขาไปโดยที่เราไม่ยินดีนี้เราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเขาจะต้องไปไม่ช้าก็เร็วงั้นเรารีบให้เขาไปเลยดีกว่ายินดีให้เขาไป เราก็จะได้ไม่ทุกไปกับเขาเวลาเขาไปนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อสอนใจไม่ให้กระทาตามความอยากทั้งสามประการคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาอยากในอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากให้ตนเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาและอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ อยากไม่ให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิภวตันหาถ้าเกิดความอยากทั้งสามนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะร้อนขึ้นมาเมื่อนั้นแล้วได้ความสุขมาก็จะเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันหมดไปความสุขนั้นก็จะหมดไปนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจเพื่อที่จะได้ชำระความอยากความโลภความโกรธความหลงต่างๆนี้ ให้หมดไปอย่างราบคาบเลยความโลภเกิดจากอะไรกันก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากโลภที่โลภอยากได้นี้มันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เป็นของสิของเราเราไม่สามารถไปไปสั่งไปห้ามมันได้พอเราไม่หลงเราก็จะไม่โลภพอเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธที่เราโกรธเพราะว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราโลภ เวลาเราอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่หลงเราก็จะไม่โลภไม่โลภเราก็จะไม่โกรธวิธีชำระความโลภโกรธหลงก็ชำระด้วยปัญญานี้สอนใจไม่ให้หลงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนี้ในโลกนี้เป็นทุกข์ เป็นทุกขเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะครอบครองมันไว้สั่งให้มันเป็นไปตามคำสั่งของเราได้นี่คือเรื่องของการชำระความโลภกดหลงชำระตัณหาทั้งสามโลภกดหลงกับกามตานาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่ก็ตัวเดียวกันนึงอะเพียงแต่ต่างชื่อต่างลักษณะกันแต่เป็นตัวเดียวกันโลกก็คือความอยาก ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โกรธก็คือวิพาทวะดัญหาไม่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่ชอบร็จแล้วเพราะโกรธใช่แล้วถึงไม่ถึงไม่อยากถึงอยากไม่ให้สิ่งนั้นอยู่กับเราอยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอะไรตามที่เราที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอันนี้ก็คือเรื่องของการชำระใจที่จะชำระ ใจได้อย่างถาวอนี้ต้องใช้ปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้นี้จะต้องอาศัยสติก่อนอาศัยสติทำใจให้สงบก่อนเพื่อใจจะได้เห็นว่าความสงบนี้เป็นความสุขอย่างไรจะเห็นว่าเวลาที่กิเลสตัณหาเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงความอยากมันสงบตัวลงมันไม่ทางานนี้มันเป็นสุขอย่างไร และเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงมันออกมาทำงานนี้มันทำให้เราทุกข์อย่างไรเมื่อเราเห็นความแตกต่างเราก็จะเห็นคุณเห็นโทษของการมีกิเลสตัณหากับการไม่มีกิเลสตัณหาจะเห็นเลยว่าการมีกิเลสตัณหานี้มันจะมีแต่เรื่องมีแต่ทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแต่การที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหานี้มันจะมีแต่ความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกัน เราก็จะเลือกการชำระกิเลสปัญหาให้มันหมดไปจากจิตจากใจพอเราชำระได้ด้วยปัญญาแล้วทุกครั้งที่เกิดความโลภก็ไม่ทำตามความโลภทุกครั้งที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เอาทุกครั้งที่อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปก็ไม่เอาปล่อยมันอยู่ไปมันอยากจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่าไปอยากให้มันหายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปอยากให้มันหาย มันจะเจ็บไขยได้ป่วยก็มันปล่อยมันเจ็บไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราจะไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราไปอยากให้มันหายแล้วเราจะทุกข์เช่นเดียวกับเวลาจะตายมันอยากจะตายก็ให้มันตายไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีอย่าไปอยากให้มันไม่ตายแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะสงบจะมีความสุขทั้งๆที่ททกําลังจะตาย นี่หละคือใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะเป็นใจที่มีความสงบตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่สามารถมาทำลายความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ได้เลยนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ใจของท่านตอนนี้ก็ยังสงบยังมีความสุขอยู่เหมือนกับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ดีกว่าตอนที่ไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นภาระให้แบกหามอีกต่อไปไม่ต้องเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องอาบน้ําให้ร่างกายไม่ต้องออกกําลังกายให้ร่างกายไม่ต้องรักษาโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายเพราะไม่มีร่างกายอีกแล้วนี่แหละคือการบูชาที่ จะให้ผลประโยชน์กับพวกเราได้อย่างสูงสุดก็คือได้ไปถึงพระนิพพานกันได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันได้นิบบานังปรมังสุขขังกันได้ความสุขที่เรียกว่าบรมสุขเพราะว่าจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายกับการพัดพากจากกันอีกต่อไป นี่แหละคือการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราบูชากันในวันขึ้นปีใหมน่นี้แต่ถ้าอยากจะบูชาด้วยอมิสบูชาก็ทําได้แต่ขอให้รู้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนี้มันสู้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูบชาไม่ได้อย่าหลงไปเยอะ ทำแต่อมิตรบูชาจนลืมปฏิบัติบูบชาก็แล้วกันเพราะการปฏิบัติบูชานี่แหละถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่แท้จริงที่จะนำมงคลให้แก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงมงคลก็คือการสิ้นสุดของกองการเวียนว่ายตายเกิดมงคลก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะเกิดขึ้น ได้ในวันนี้ถ้าพวกท่านทั้งหลายน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราตริปุเรนติสาคขลงเอวเมวะอิตตทินังเฟตานังอุ ป, ปกาปะติอิจิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะธาเมณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพะโรโววินัสตุมาเตผวะตวันตรายสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทานสิลิตสะนิจังวทฒาปัจจายิโน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 การถามตอบปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้ยังไม่มีคําถามก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาถามทีหลังก็ได้แต่ให้อยู่ในช่วงถามตอบนี้ก็แล้วกันพอปิดประชุมแล้วก็จะขอหยุดหยุดเชิญถามได้กับเสียงถามพระอาจารย์นะครับเมื่อนั่งสมาธิสงบแล้วหลังจากนี้ ทำอะไรต่อครับก็ประคับประคองจิตให้สงบไปเรื่อยๆก่อนเพราะการเวลาสงบนี้เป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่เราต้องการให้จิตมีพลังพลังของจิตก็คืออุเบกขาคือให้จิตนิ่งสงบปราศจากความรักชังกลัวหลงไปนานๆเพราะว่าเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราจะได้ใช้อุเบกขานี้มา รักษาใจไม่ให้วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆใ เ, เวลาที่จิตสงบไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ให้ประครับประคองคอยคุมความคิดไว้อย่าให้คิดถ้าจะคิดอะไรก็อย่าไปคิดมันจนกว่าสู้มันไม่ไหวมันจะคิดมันอยากจะลุกค่อยลุกขึ้นมาแล้วก็มาจะลาสติต่อเพื่อที่เราจะได้กลับเข้าไปใหม่พยายามกลับเข้าไปบ่อยๆกลับเข้าไปมา ก, มากๆนานๆให้มันชนานาญก่อน พอเราชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วเวลาออกมาเราสามารถรักษาใจให้เป็นูเบกขาได้เรื่อยๆตอนนั้นเราก็เริ่มมาใช้ปัญญาต่อได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่เรายึดเราติดเรารักเราหวงว่าไม่ใช่ของเราว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีการจากเราไปในวันใดวันหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้น ถ้าเรามีอุเบกขาเวลาเกิดเหตุการณ์ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียกับการพาดพากจากสิ่งต่างๆไปหรือการอยากจะได้อะไรก็ให้มองเห็นว่าได้มาแล้วมันทุกข์มากกว่ามันสุขพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีนี่เรียกว่าการใช้ปัญญาเป็นขั้นที่สองเป็นขั้นที่เราจะได้กําจัดความอยากให้หมดไปจากใจอย่างถาวร การสมาธิเพ่งกดความอยากไว้เข้าใจไห ม, มเข้าใจครับ <c oughs> มีเวลาที่ท้อถอยท้<ข>อถ อ, ถอยกำลังอ่อนนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอริยสงสารนึกถึงคำสอนเปิดธรรมฟังเปิดเทศฟังแล้วก็จะมีกำลังใจขึ้นมาชาร์จแบตเตอรี่หรือถ้า ไม่ไม่ได้ฝังก็หยุดความคิดความท้อถอยนี่มันเกิดจากความคิดของเราเองดันั้นเราใช้พุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดต่างๆแล้วพอใจสงบความท้อถอยมันก็จะหายไปเวลาเวลาท้อถอยอาศัยหมั่นเพียรมาทําบุญอขอช่วยได้ครก็ทําบุญสังเทศฟังธรรมพยายามสังเทศฟังธรรมเข้าหา ผรู้ก็หาคูบาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับได้ยินได้ฟังทำของท่านก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาสมัยนี้เราก็เปิดเทปฟังก็ได้เปิดหนังสืออ่านก็ได้ทำบุญก็ได้อยากจะทำบุญก็ทำไปแต่ทำบุญสูงสุดก็คือพุทโธนี่แหละบริกรรมพุทโธพุทโธไปเลยถ้าอยากจะทำบุญก็พุทโธพุทโธไปดีกว่าเสียเงินทอง อาพุทโธนี่แหละใจสงบแล้วความท้อแท้เบื่อหน่ายจะหายไปหมดกำลังใจจะกลับขึ้นมากำลังใจของเราอยู่ที่ความสงบไงถึงบอกว่าเวลาจิตสงบแล้วพยายามรักษาให้มันอยู่นานๆว่ามันจะเป็นกำลังของเราคำถามจาก FaceBook ค่ะคำถามคถามฝากถามจากคุณเส้นทางธรรมค่ะการทำสมาธิอยู่กับพุทโธ หรือลมหายใจจะทำให้เห็นอนิจจังหรือการเกิดดับของจิตอย่างไรครับตอยังไม่เห็นหลักการทำสมาธิต้องการให้จิตสงบให้จิตพักผ่อนให้จิตมีกำลังถ้าจิตมีกำลังแล้วจิตจะเราก็จะสอนจิตให้หัดดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา อันนั้นเป็นขั้นที่สองเรียกว่าขั้นวิปัสสนาแต่ขั้นแรกนี้ต้องทำจิตให้สงบก่อนถึงจะมีกําลังดูความจริงได้ถ้าไม่มีก็ไม่มีสมาธิไม่มีความสงบกิเลสความหลงมันจะหลอกให้เรามองไม่เห็นความจริงจะเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นสุขจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของเราไปหมด คำถามที่สองค่ะผมเห็นความเป็นอนิจจังการเกิดดับโดยการคิดพิจารณาหรือจินตมยปัญญาจะปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวขึ้นสู่ภาวนามยปัญญาครับก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่เราเห็นว่าไม่เที่ยง ดันเราเห็นว่าแฟนเราไม่เที่ยงก็บอกแฟนว่าเราแยกทางกันชั่วคราวดีไหอต่างคนต่างอยู่ดีไหมถ้าแยกทางกันได้แล้วไม่ทุกข์ไม่เสียใจไม่เหงาไม่ว้าวเหว่ก็แสดงว่ า, เ, าเรามีภาวนาไม่ยัปัญญาเราไม่ทุกข์กับการที่เราสูญเสียสิ่งที่เราลักไปคําถามจากคุณภาสกรค่ะ ถ้าเราภาวนาแล้วมีนิมิตแสดงให้เห็นเป็นกระดูกหรืออวัยวะภายในของร่างกายโดยเฉพาะในช่วงระยะหลังๆขณะที่ภาวนามักมีนิมิตเป็นเส้นผมผุดขึ้นมาให้เห็นเป็นเส้นผมเส้นเล็กๆที่ค่อยๆผุดขึ้นมาจากหนังศีรษะบ่อยมากผมจึงใคร่ขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับนิมิตต่างๆก็อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเนื้อกลับมาอยู่ที่พุทโธไปให้ใจสงบก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเล่นกับนิมิตถ้าไม่ฉลาดเดี๋ยวนิมิตมันหลอกเราได้จะทำให้เราเสียหลักได้เพราะฉะนั้นถ้ายัางไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปเล่นกับนิมิตทำจิตให้รวมเป็นอุเบกขาก่อนแล้วถ้าเรามีอุเบกขาแล้วต่อไปเราค่อยเล่นกับนิมิต ได้เพราะเราจะมีกําลังแต่เราก็ต้องศึกษาว่าวิธีปฏิบัติกับนิมิตนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาว่านิมิตที่เราเห็นนี้มันไม่เที่ยงอย่าไปยึดอย่าไปติดมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าอยากให้มันเกิดแล้วไม่เกิดก็จะทุกข์ถ้ามันเกิดแล้วอยากให้มันไม่ดับมันก็จะทุกข์เวลามันดับต้องใช้ปัญญาเวลาเล่นกับนิมิตเนี่ยคําถามจากคุณสุรพีค่ะ เรียนถามว่าเปรตกับวิญญาณเรี่ยร่รอนหรือสัมภเวสีมีจริงหรือเปล่าเจ้าคะแล้วมีคนตกน้ำตายที่ท่าน้ําหลังบ้านพอครบคืนที่สามที่เขาตายปรากฏได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมาที่ประตูหลังบ้านรู้สึกกลัวมากจึงไปเอาพระมาแขวนคอกลิ่นนั้นก็หายไปทันทีแสดงว่าวิญญาณนั้นสามารถเข้ามาในบริเวณรั้วบ้านเราได้ด้วยเหรอเจ้าคะ แสดงว่าจิตเรามันหลอกเรา mm hmm. เลยพอผ้ามาห้อยกิ่นมันก็หายไปฉอนั mm ้น hmm. ก็ให้รู้ว่ามันกลิ่นไปนนิดจังก็พออย่าไปสนใจอะไรมากกว่านั้นทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันถ้ามันไม่ไปก็อย่าไปอยากให้มันไปก็ดมกลิ่นมันไปเรื่อยเหมือนเข้าเข้าห้องน้ําก็แล้วกันเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องดมกลิ่นเนาะยังดมได้เลย ก็กลิ่นนี่มันก็เหมือนกันน่ยมันไม่ได้ทำให้เราตายหรอกไม่ต้องไปกังวลกับมันอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยวางมันดีที่สุดพิจารณามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปให้หมดกลิ่นก็เหมือนกับเป็นนิมิตอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งว่าเป็นผีตายไปแล้วสามวันเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องอุ ป, ปทานความคิดปรุงแต่งของเราเองที่ไม่มีอะไรมารับรองไม่มีอะไรมารองรับความคิดนี้ อันก็ให้รู้แล้วกันว่ามันมาแล้วก็ไปถ้าคิดว่ารู้จักวิธีดับกลิ่นก็ดีต่อไปเข้าส่วมก็เอาพระห้อยเข้าไปด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องใช้น้ำยาดับกลิ่นในห้องน้ำ <c oughs> ไปตั้งพวกรูปไว้ในห้องเ <c oughs> ต็มไปเลยคำถามจากคุณงามนัดลาพัฒ เราไม่ได้ไปทําบุญที่วัดแต่สวดมนต์ไหว้พระและถือศีลห้าอยู่บ้านจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะได้แต่เป็นบุญคนละอย่างบุญที่วัดเป็นบุญจากการให้เรียกว่าทานรักษาศีลที่บ้านเรียกว่าบุญที่เกิดจากการไม่กระทําบาปไหว้พระสวดมนต์ก็บุญที่เกิดจากการเจริญสติก็มีอา น, นิสงส์ต่างกัน ม, มีประโยชน์ต่างกัน แต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลจากการเจริญสตินี้มันเป็นบุญที่สูงกว่ามีน้ำหนักมากกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานแต่อันนี้สงก็ต่างกันถ้าไม่ทำทานชาติหน้ากลับมาก็อาจจะไม่มีอะไรกินแต่ถ้าทำทานชาติหน้ากลับมาก็จะมีของกินเยอะแยะไปหมดแต่ถ้ารักษาศีลชาติหน้ากลับมาก็าตายไปก็ไม่ต้องไปอบายตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์เลย ถ้าทำบุญแต่ไม่ทำไม่รักษาศีลตายไปก็ไปเป็นหมาสวยๆให้คนรวยเข้ามาจับมาเลี้ยงเพราะอาศัยได้ทำบุญไว้เยอะถึงอยู่ดีกินดีแต่ต้องอยู่แบบหมาเพราะว่าไม่ได้รักษาศีลดังั้นบุญแต่ละอย่างมันมีอันที่สองต่างกันก็ต้องศึกษาไว้ เหมือนกับซื้อประกันภัยมันก็มีหลายชนิดประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอย่างนี้มันประกันหลายแบบประกันตาถ้าเป็นศิลปินก็ประกันเสียงมีอะไรประกันได้หลายอย่างเราก็ต้องศึกษาว่าประกันแต่ละชนิดเขาจะมีผลตอบแทนอย่างไรการทําบุญสิชนิดก็มีผลตอบแทนต่างกันไปบุญในศาสนาพุทธนี่มีอยู่สิบชนิด ที่เราพูดถึงนี่สามชนิดบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการสวดมนต์ก็สมาธิหรือภาวนาคําถามจากคุณกมุนนาะข้อแรกคะ่ะเวลานั่งทำงานทำสมาธิได้หรือไม่คะ ถ้านั่งทำงานถ้านั่งสมาธิมันก็ต้องหลับตาพุโทโธหรือดูลมหายใจมันก็ทำงานไม่ได้แต่แตจเจริญสติได้เวลาทำงานยังจเจริญสติได้คือให้ใจจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงเครื่องดื่มเดี๋ยวทำงานไปก็สั่งเด็กให้เอากาแฟมาถ้วยเอาขนมอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติในการทำงานใจยังวกแวกยังไปคิดเรื่องอื่นอยู่ ถ้าอยากจะมีสติอยู่กับการทำงานก็ทางานใจอยู่กับการทำงานอย่างเดียวไม่คิดถึงขนมไม่คิดถึงเครื่องดื่มไม่คิดถึงไขรไม่ใช่ทำงานไ ป, ปุ๊บเดี๋ยวคิดถึงคน น, นคนนี้ไปกดมือถือเลือกคุยกัน่องล้เสียงานเสียาการเงีงนี่นเรียกสติแต่เราไมก ใ, ใช้คำว่าสมาธิแทนสติทางโลกนี้เราจะใช้คำว่าสมาธิแทนสติเช่นเวลาทางานต้องมีสมาธิกับการทางาน แต่ความจริงคําว่าสมาธินี้คือจิตสงบไม่ทําอะไรแล้วถึงจะเรียกว่าสมาธิเช่นเรานั่งหลับตาพุทโธพุทโธจิตสงบนิ่งเฉยไม่ทําอะไรเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี่เรียกว่าสมาธิแต่เราใช้คําสมาธิมาแทนสติกันเวลาเราทํางานนี่ยเราอยากจะมีสมาธิในการทํางานความหมายก็คืออยากจะมีสติในการทํางานะ คำถามที่สองค่ะสวดมนในเวลางานได้หรือไม่ครับผมอยู่ที่ทํางานคนเดียวครับถามเจ้านายด้ยเลยเขาจ้างมาสวดมนแล้วเขาจ้างมาทํางานนะเพราะเวลาสวดมันก็ทํางานไม่ได้มันต้องทําเรื่องเดียวสวดมนก็สวดไปงานก็ไม่ได้ทําถ้าอยากจะทํางานก็อย่าไปสวดนอกจากว่าทํางานแล้วมันฟุ้งซ่านก็ใช้สวดดับความฟุ้งซ่านได้บางทีทํางานไปแล้วยังไปรฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรื่อง เรื่องปัญหาต่างๆที่บ้านหรือ ท, ที่ที่ไหนก็ตามทำให้ไม่มีสติกับการทํางานทําให้ทํางานแล้วทําให้เสียหายได้เราก็ต้องหยุดความฟุ้งซ่านนั้นเราก็ต้องใช้คําบริกา ร, รพุทโธพุทโธอาจจะพักงานไว้ชั่วคราวก่อนอย่าเพิ่งทํางานทําใจให้หายฟุ้งซ่านก่อนแล้วค่อยกลับมาทํางานต่อคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะทําอย่างไรถึงจะนั่งภาวนาได้ยาวนานเจ้าคะ ก็ต้องสร้างสติก่อนเนี่ยต้องพยายามฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นนอนขึ้นมาทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้ใช้พุทโธแทนอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องที่เกิดมาแล้วในอดีตหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตอย่าไปคิดถึงมันให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้จิตไม่ลอยไปลอยมาให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไป พอเวลานั่งสมาธิก็จะมีกำลังสติจะดึงใจให้นิ่งให้สงบได้นานมีคำถามเข้ามาอ่อานไปเลยคำถามฝากถามค่ะเมื่อเรากำหนดพุทธโธบางครั้งจิตสงบ กายเบาจิตเบาและบางครั้งรู้สึกการเต้นของหัวใจเด่นชัดขึ้นแรงขึ้นควรจะทําอย่างไรต่อระหว่างพุโทโธกับการเต้นของหัวใจค่ะ อ, อ๋อเราก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าทิ้งพุโทโธเรามีอะไรให้เรารับรู้อย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่สําคัญ สิ่งที่สําคัญก็คือให้อยู่กับพุโทโธเพื่อใจจะได้สงบไม่ไปคิดอะไรถ้าไปอยู่กับเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ไปคิดกับเรื่องนั้นเข้าแล้วมันใจมันก็จะไม่สงบขึ้นมาฉนั้นขอให้อยู่กับพุโทโธไปจนกว่ามันจะตกลุมตกบอ่อพอมันตกลุมตกบ่าวูบลงไปแล้วมันก็นิ่งสงบตอนนั้นพุโทโธก็หยุดไปตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมันจะรู้เองว่าเอาตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรจิตเราสบายจิตเรานิ่งไม่คิดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไระ ถ้าถึงตอนนั้นก็ถือว่าเราได้สมาธิแล้วถ้าอยู่ปั๊บเดียวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องพุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นหัวใจจะเต้นแรงหรือจะมีเสียงหรือจะมีกลิ่นหรือจะมีภาพให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจะตกหลุมตกบ่อไปแล้วก็นิ่งสงบ คำถามจากคุณดัมมะสตัดดี้นะครับเราจะทำกุศลอย่างไรให้ได้สูงสุดในช่วงเทศกาลสงการนี้และปฏิบัติอย่างไรให้ได้เลื่อนภูมิจิตเป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยวันนี้เทนมาทั้งวันเนี่ยตอบคำถามของคุณชุกประการเลยเดี๋ยวกลับไปดูคลิปย้อนหลังตั้งแต่ต้นคาถามจากคุณพินแคนนะครับภาวนาไปสักพักลมหายใจสั้น เข้ารู้สึกอิดอัดมากต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะถ้าถ้าใช้ลมแล้วอึดอัดก็ลองเปลี่ยนเป็นพุโทโธแทนหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้จิตกำลังไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใจกับเรื่องของลมก็เปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ไปหรือพุโทโธพุโทโธไป จากคุณนัทวุฒินะครับอยากทราบว่าผลไม้ที่ไหว้เจ้าไหว้พระพุทธสามารถนำไปใส่บาทพระสงฆ์ได้ไหมครับได้มันก็ไม่เปื้อนอะไรไม่ใช่คำถามจากผู้ฝากถามนะครับสิ่งภายนอกเอาให้แล้งกามหมากินให้เน่าให้หนอนก็ยังพอคลายใจลงได้บ้างแต่ยังมีสิ่งที่ตกค้างภายในจิตใจนี้อิดหนาละอายใจเหลือที่สุดจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ ก็ต้องใช้สติเนี่ยใช้คำบริกรรมพุโทโธกาจัดมันถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความอิดหนาละอาัยต่างๆมันก็จะหายไปความอิดหนา้าละอาใจก็เกิดจากความคิดของเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เลยทำให้เขาเกิดความรู้สึกอิดหนา้าละอาใจขึ้นมาพอเราหยุดคิดปั๊บความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแต่ต้องทั้งใช้เวลาหน่อยไม่ใช่สองสามคแล้วมันจะหาย อาจจะต้องสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปนั่ใจก็จะสบายมีความสุขจากผู้ฝากถามนะครับจะจัดการกับความกังวลถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดอย่างไรคะก็สองอย่างอย่างหนึ่งก็ดึงใจให้อยู่ปัจจุบันเมื่อยังไม่เกิดไปยุ่งกับมันทาไมก็ดึงใจให้อยู่ปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาหรือถ้าอยากจะ รู้ว่าจะต้องเจอจะต้องพบมันก็ศึกษาวิธีว่าจะปฏิบัติกับมันอย่างไรก็ง่ายก็มองที่อนาคตจะมีอะไรอนาคตก็มีแค่ความตายที่รอเราอยู่เท่านั้นเองแในเมื่อทุกอย่างก็จะต้องตายทุกคนจะต้องตายเราจะไปกังวลกับอะไรกังวลกับคนนั้นเขาก็ตายกังวลกับคนนี้เขาก็ตายกังวลกับตัวเราเราก็ตายถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะหายกังวลจากผู้ฝากถามนะครับ กำลังใจสร้างได้อย่างไรครับสร้างด้วยสติให้มีสติหยุดความคิดแล้วกําลังใจก็จะมาความคิดของเราเนี่ยเป็นตัวบั่นทอนกาลังใจยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยยิ่งเมื่อยยิ่งอิดหนาละอาใจท้อแท้เบื่อหน่ายพอหยุดคิดปั๊บมันก็จะสงบสบายมีกําลังใจที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่หวั่นไหว ข้อที่สองนะครับที่ท่านพูดว่าศีลแปดจะทําให้คุมเรื่องการได้การกินและวิธีอื่นอีกไหมจะช่วยให้คุมอยู่เอาก็อดมันเลยอย่าไปกินข้าวเนี่ยถือศีลอดเลยไม่กินข้าวเลยห้ามเลอะเลอให้ดูอาหารที่เรากําลังจะกินว่ามันจะกลายเป็นอุจจาระไปในที่สุดเนี่ยคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เราเคี้ยวผสมกับน้ําลายเหล่านี้มันน่าดูน่ากินไหม อยากจะรู้หน้าตาของมันก็ลองคายออกมาดูแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่อย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่อยากกินคือพิจารณาอาหารเลยปฏิกู ล, ลสัญญาแปลว่าการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารในรูปแบบต่างๆขณะที่อยู่ในปากขณะที่อยู่ในท้องขณะที่ถ่ายออกมามันก็เป็นอาหารทั้งนั้นถ้าเราเห็นรูปแบบของอาหารในรูปแบบเหล่านี้เราก็จะไม่อยากกิน อย่าไปนะอย่าไปดูอาหารอยู่ในจานหรือที่เขาถ่ายภาพมาโฆษณาในทีวีหรือติดป้ายตามร้านอาหารนี่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลพรวดออกมาถ้าเข้อาอาหารที่ออกมาจากอุจจาะเป็นอุจจลระมาปะไว้ที่หน้าร้านคุณจะไม่ <c oughs> <c oughs> คงจะไม่มีใครอยากจะกินนะ พระอาจารย์ครับเข้าหมายถึงเรื่องการมาลาคะครับนอกจากการกินศีแปดแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่จะทําให้ช่วยได้ก็ต้องพิจารณาสุภาพนะสิก็ต้องมองความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามเช่นดูภายใต้ผิวหนังเใต้ผิวหนังมีอะไรหน้าตาคนเนี่ยสวยงามจะตายถ้าเราเอาถ้าถ้าเราแกะหนังออกเราจะมีอะไรล อ, ลองอยู่ข้างล่างก็มีกระโหลกศีรษะใช่ไหมมีใครไม่มีกระโหลกศีรษะมั่งเอ นางงามจักรวาลหรือดาราภาพยนตร์นายแบบนางแบบนี่มีกระโหลกศีรษะทั้งนั้นแต่มองไม่เห็นกันเราต้องถลกหนังศีรษะออกบ้างเนี่ยมันเป็นหน้ากากแล้วลหลงไหลกับหน้ากากลหลงไหลกับหนังที่มันครอบกระโหลกศีรษะเท่านั้นเองพอเราเอาเอามันออกมาดูกะโหลกศีรษะปั๊บมันก็ไม่น่าดูละเหมือนกันหมดทุกคนเพราะถ้าประกวดก็ได้รางวัลที่หนึ่งทุกคนคือกะโหลกนี่เหมือนกันหมดครับ ปรากวดความไม่สวยงามก็จะได้รางวัลที่หนึ่งทุกคนเหมือนกันนี่เรามองไม่เห็นเราถึงต้องจินตนาการเรียกว่าปัญญาเนี่ยการจินตนาการเห็นส่วนที่มองไม่เห็นนี่เราเรียกว่าปัญญามองเข้าไปใต้ผิวหนังให้ได้มองเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นหัวใจเห็นปอดเนี่ยเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายแล้วมันก็จะทําให้ความความ ความรักร่างกายนี้มันหายไปจากทางเ c e b o o k l ล v e นะครับคุณวิไลวันนะครับขอพระอาจารย์เมตตาอาการจิตรวมลงเป็นสมาธิ ช่วยเจ้าค่ะช่วยอธิบายก็ที่บารแล้วเนี่ยมันต้องตกหลุมตกบอ่อไม่อยากจะรู้ก็ลองไปกระโดดลงบอ่อดูเลย <laughs> มันก็มันก็อาการคล้ายๆอย่างนั้นเน่ยลองไปหาบอ่บอบ่อที่มีเบาะรองอยู่แล้วก็ลองกระโดดลงไปวูบลงไปมันใจมันจะเสียววูบลงไปเหมือนตกลงมาจากที่สูงแต่ว่ามันไม่มีของแข็งรองรับอยู่พอลงไปปุ๊บแล้วมันก็เบาเย็นสบายโล่งอกโล่งใจเบาอกเบาใจ พูดได้เท่านี้แะมันสันดิิโกเนะผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้เห็นเองอสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวต่างจากสีแดงอย่างไงอธิบายเป็นจนปากเปียกปากฉี่เขาก็มองไม่เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรบอกสีแดงมันร้อนสีเขียวมันเย็นมันร้อนยังไงมันเขียวยังไงมันเย็นยังไงใช่ไหมพูดไม่ได้มันต้องต้องรู้เองเห็นเอง จะคุณจะตุกพนนะครับไม่บวชเป็นพระไปนิพพานได้ไหมครับได้บวชแล้วไปไม่ไปนิพพานก็มียเยอะแยะไปอน่างสมัยนี้บวชกันไปนิพพานกันหรือเปล่ามันจะไปไม่ไปไม่ได้อยู่ที่บวชแล้วไม่บวชมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ไปนิพพานได้คนที่เขาไปถึงนิพพานก่อนแล้วบวชก็มีเยอะแยะไปในสมัยพุทธกาล พอฟังเทพฟังธรรมเกิดปัญญาก็ไปถึงนิพพานแะล้วพอถึงนิพพานแล้วก็ขอพุทธเจ้าบวชนี่นั่นมันไม่ได้อยู่ที่การบวชแล้วไม่บวชอยู่ที่การมีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่แต่การ บ, าบวชนี่ถ้าตั้งใจบวชมันจะช่วยทำให้มีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ง่ายกว่าการไม่บวชเพราะเวลาบวชจะได้ไปอยู่กับคนที่เขาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาถตาเราอยู่บ้านจะไม่มีใครสอนเรา เราต้องสอนตัวเราเองซึ่งเราเราจะสู้คนที่เขามีศีลสมาธิปัญญาแล้วมาสอนไม่ได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาไม่สร้างศีลสมาธิปัญญาก็ เ, าเหมือนกับไม่บวชอยู่ดีจากทาง u t u b e นะครับจากคุณพาคินนะครับจุดเริ่มต้นเส้นทางสู่ความหลุดพ้นคือขั้นแรกคือรวมสมาธิให้ได้ก่อนใช่ไหมครับ ก็ต้องให้มีสติก่อนถึงจะรวมสมาธิได้แล้วก่อนจะมีสติได้ก็ต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนต้องมีศีลแปดมีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทําจิตให้รวมเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิจนชานาญแล้วค่อยไปทางปัญญาพิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยมันอันไหนไม่ที่งก็ปล่อยอันไหนเป็นทุกข์ก็ปล่อยอันไหนไม่ใช่ของเราก็ปล่อยปล่อยมันให้หมด แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเราก็จะไปถึงนิพพานได้คําถามจากคุณชิอินนะครับต้องการบวชกับพระอาจารย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ เ, ออเราบวชให้ไม่ได้เราไม่ได้เป็นอุปชาที่วัดนี้เขามีพระที่เป็นอุปชาจะบวชก็ต้องไปติดต่อกับเขาที่กุฏิเบอร์สี่ของวัดยานสังวรารามแล้วเขาก็จะรับ พิจารณาบวชใหไไ้ไม่ให้ก็แล้วแต่หลายอย่างคุณสมบัติเราพร้อมหรือเปล่าที่พากอาศัยมีว่างหรือไม่ก็บวชได้คำถามจากทาง Facebook l ล v e นะครับเจ้าคุณสายชนนะครับสวดมนต์สามารถให้อนิสงผลบุญแผ่ไปยังโอปาติกะและสัมภเวสีสามารถชวนมาร่วมสวดมนต์ได้จริงหรือเจ้าคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันลองทำดูเลยคำถามจากคุณดานนะครับเรื่องการเดินจงกรมในห้องพักที่เป็นคอนโดว่ามีควรปฏิบัติอย่างไรก็ได้าการเดินจงกรมก็คือการการผ่อนเปลี่ยนคลายผ่อนคลายอริยบทถ้าเรานั่งนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องลุกมาเดินเดินก็หาที่เดินที่มันเดินไปตรงไปตร ง, ไปตรงมาได้ก็ดี เดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปสุดทางแล้วก็หันกลับมาแล้วก็เดินมากลับมาถ้าทางมันสั้นมันก็จะทำให้เราเวียนศรีรษะได้เพราะต้องหมุนกลับไปเรื่อยถ้าทางมันสั้นยังอยากจะเดิน mm hmm. ก็เดินเดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังก็ได้ ไม่ต้องไม่ต้องหันหน้ากลับเดินไปสุดทางแล้วก็เดินถอยหนังเอามือคอยยันไว้ข้างหลังเพื่อเดินชนฝาจะรู้ก็เดินกลับไปเดินเดินเพื่อผ่อนคลายร่างกายอริยาบทของร่างกายเพื่อให้ร่างกายไม่พิกลพิการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการอยู่ในอริยาบทเดียวแต่ในขณะที่เดินเราก็พุโทโธต่อไปจเจริญสติต่อไป คำถามที่คุณปีกวิเวกนะครับลบกวนถามมีสี่บุรุษนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษมันหมายถึงอะไรใครบ้างครับพระ อ, อริยเจ้าสี่คนไง ค, คนที่หนึ่งเเรียกโสดาบันโสดาบันนี่เขาก็มีมรรคบผลก่อนจะเป็นจะก่อนจะได้ เป็นพระโสดาบันก็ต้องเจริญมรรคคือก็คื อ, คอต้องเรียนวิธีเป็นพระโสดาบันก่อนเวลาเรียนวิธีเป็นโสดาบันก็เรียกว่ากําลังเจริญมรรคพอเรียนจบแล้วตัวเองบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาก็ได้ผลเขาถึงเรียกว่า8บุคคลแต่นความจริงเป็นสคู่คู่ที่หนึ่งก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลคู่ที่สองก็สกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผล ข้อที่สมก็อนาคามีมรรคอนาคามีผลคู่ที่สี่ก็คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลปุะกคบสี่ชนิดก็คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์รวมกันเป็นมรรคสี่ 4, ผลสี่นิพพานหนึ่งพอได้เป็นพระอารหันต์ก็จะได้พระนิพพานคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด รุนพระระดับทั้งสามก่อนจะถึงพระพระอารหันนี้ยังต้องกลับมาเกิดอยู่อีกพระโสดามันยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติพระสกิณาขามีจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินชาติหนึง่งพระพระอนาคามีก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมอีกอี ก, อกถึงจะไปถึงพระถึงจะไปเป็นพระอารหันได้แต่พอเป็นพระอารหันแล้วก็เข้าสู่นิพพานไป ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปคำถามจะคุณลิงน้อยนะครับผมมีข้อสงสัยว่าการที่พระท่านบวชแล้วไม่ศึกมีหลักยึดอย่างไรจึงจะสามารถคลองตนเป็นนักบวชได้โดยไม่คิดสึก อ๋อก็แล้วแต่บางคนเขาก็มีเครื่องอยู่แต่และคนก็ไม่เหมือนกันคนที่เป็นสังฆลายก็คงไม่คิดอยากจะศึกะคนที่มีตาแหน่งมีเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอะไรก็คงจะไม่คิดอยากจะศึกแล้วคนที่มีมรรคมีผลเขาก็ไม่คิดอยากจะศึกเหมือนกันมันก็แล้วแต่แต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลต่างกันมีเครื่องอยู่ต่างกันก็ต้องไปสัมภาษณ์แต่ละองค์ดูก็แล้ว ก, กันว่าท่านอยู่ได้อย่างไร คำถามจากคุณนัทธิดานะครับจิตภาวนาพุทโธแต่บางครั้งจิตหลุดไปคิดสวดมนต์ตลอดเวลาแต่สวดไม่จบหลายหลายบทรวมกันจะบาปไหมคะออไม่บาปหรอกก็สวดอันไหนก็ได้สวดเพื่อให้ใจสงบไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าชอบสวดก็สวดไปคำถามจากคุณวิไลวันนะครับ เราสามารถอารัธนาศีลแปดขึ้นรักษาเองได้ไหมคะพอถึงกำหนดวันที่ตั้งใจไว้ก็ลาศีมาถือศีลห้าปกติค่ะได้ก็เป็นเพียงแต่ตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้จะถือศีลแปดนะเหมือนกับวันนี้จะใส่ชุดขาวพรุ่งนี้จะใส่ชุดเขียวแดงแต่วันนี้ขอใส่ชุดขาวก็เหมือนกันการอารธนาก็คือการบอกเป้าหมายของการปฏิบัติของเราว่าวันนี้เราจะปฏิบัติในรูปแบบไหนวันนี้จะถือศีลห้านะ ก็จบวันนี้จะถือศสี้ยนแดนะก็จบจะถือเวลาถึงเวลาเท่าไหร่ก็กําหนดไปตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการสมาทานไปไม่ต้องมีพระมาเป็นพยานก็ได้การมีพระก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าศิ่เป็นอะไรก็ต้องไปหาพระให้บอกเราเท่านั้นเองถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยพระมาบอกเราไม่ต้องมาให้ศีลกับเรา คำถามจากคุณบอลนะครับจาก YOU TUBE นะครับยิ่งศึกษาฟังธรรมอ่านหนังสือยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งอยากอ ย, กอยู่คนเดียวไม่อยากพบเจอผู้อื่นอยากอยู่เงียบๆกับความสงบเลิกเล่นโซเชียลไม่อยากพบเจอผู้อื่นปฏิบัติอยู่คนเดียวอย่างนี้ถือว่าไปถูกทางไหมครับถูกแล้วเพราะความสงบนี่มันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงจากคุณดานนะครับ สำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติสมถะและวิปัสนาสมาธิได้บ้างแล้วสีหรือวัตถุของเสื้อผ้าที่ใส่จะช่วยเรื่องสมาธิได้บ้างไหมเช่นใส่เสื้อสีสักสีหลักระหว่างทําสมาธิจะทําให้ปฏิบัติได้ดีขึ้นไหมครับ อ, อ๋ะไม่เกี่ยวหรอกเสื้อผ้าไม่เกี่ยวเพราะเวลาเรานั่งเราก็นั่งหลับตาเราไม่รู้เสีสยนึกซ้ำไปว่าตอนนั้นร่างกายใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ใส่เสื้อผ้านะ คำถามจาก YouTube ขอบคุณโอโหขอให้ไปเปิดใน Google ดูนะครับเพราะเป็นเรื่องทั <c oughs> ่วไปหมดแล้วครับราอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่บเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ